สาการปฏิบัติธรรมโดยการใช้สมาธินำปัญญาและการใช้ปัญญานำสมาธิวงเล็บเปิดเกุมภาพันสองพันหในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการฝึกปฏิบัติมีหลายแบบโดยสรุปก็คืออันหนึ่งในเครื่องหมายคำพูดใช้สมาธินำปัญญาสมาธินั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิไม่ขาดสติเพราะจิตทอนออกจากสมาธิแล้วก็ตามรู้ตามดูกายตามดูใจไปเลย ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูห้ามรักษาผู้รู้ผู้ดูไว้ปล่อยให้ผู้รู้ผู้ดูทำงานอย่างอิสระมีก็มีหายไปก็หายไปไม่เป็นไรหรือทำสมาธิอยู่แล้วจิตเคลื่อนขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตภายในสมาธิดูไปได้เลยเห็นองค์ธรรมของสมาธินั้นก็เกิดดับเหมือนกันเช่นอยู่ในชานที่ลึกพอถอนออกมาก็เห็นเลยความสงบนั้นหายไปแล้ว อุเบกขาหายไปเป็นความสุขขึ้นมาแทนนี่เดินปัญญาอยู่ในฌานอีกอันหนึ่งถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเลยในเครื่องหมายคำพูดใช้ปัญญานำสมาธิไม่ต้องเข้าฌานหัดรู้กายหัดรู้ใจดูไปเรื่อยโดยเฉพาะดูใจนี่ดูง่ายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจิตจะรวมเข้าเป็นสมาธิชั่วขณะเรียกคณิกะสมาธิรวมเวบเวรวมเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อย คล้ายๆเป็นจุดหยุดพักเป็นช่วงๆของจิตไปฝึกแค่นี้ก็พอสําหรับคนที่ทําสมาธิไม่ได้การที่หัดดูจิตดูใจแล้วจิตรวมเป็นช่วงๆถึงเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลนี่จิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองไม่ต้องกลัวว่าเข้าไม่ได้เข้าได้แน่นอนเพราะได้เป็นพระโสดาบันแล้วอย่างน้อยได้ผถมฌานเป็นของเล่นของแถมติดเนื้อติดตัวเอาไว้มีขึ้นมาเองนั่นแหละเวลาต้องการจะพักผ่อนก็อยู่กับสมาธิไป ถ้าชำนิชำนานในพระนิพพานก็อยู่กับนิพพานไปแล้วแต่ว่าจะอยู่กับอะไรถ้าไม่ชำนานในพระนิพพานจะอยู่กับลมหายใจก็ได้อันนี้อยู่กับรูปหรืออยู่ในความว่างก็ได้เรียกว่าอยู่กับนามอันนี้แล้วแต่ความชำนิชำนานของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นทางปฏิบัติมีหลายทางนะอย่าหัวดื้อนักพวกที่ทำสมาธิส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิฟังเอาไว้นะ พวกที่ติดสมาธิงอมแงมนี่หัวดื้อหัวรั้นสุดๆเลยแก้ยากที่สุดมาถึงวันนี้คนไหนแก้ยากหลวงพ่อก็ปล่อยทิ้งแล้วไม่แก้ให้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าดื้อมากแต่ตอนไหนถ้าจิตไม่สงบรู้มันซื่อเลยรู้ว่าจิตไม่สงบความไม่สงบก็ไม่เที่ยงถ้าเรารู้ด้วยจิตซื่อความไม่สงบจะต้องดับให้ดูแน่นอนจิตจะสงบนี่ง่ายง่ายฉะนั้นเวลาจะทาสมาธิบางคนบอกว่าดูจิตแล้วจะทาสมาธิไม่ได้ ต้องไปรู้ลมหายใจเข้าใจผิดจิตจะมีสมาธิหรือไม่มันอยู่ที่ว่ามันมีนิวรณ์หรือไม่เครื่องหมายดอกจันทร์อธิบายเครื่องหมายดอกจันทร์นิวรณ์คอมมา่านิวรณ์ธรรมธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคอมมา่าสิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมมี5้าอย่างคือ 1. กา ม, มฉันพอใจในกา ม, มคุณ 2. พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นส ทีนมิทะความหดหูซึมเศร้าสอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจบอธิบายดอกจันถ้าไปนั่งสมาธิหายใจด้วยโลภะอยากจะสงบนี่ไม่มีวันสงบหรอกถ้านั่งแล้วบีบเข้นใจไปเรื่อยบังคับใจกดข่มใจไปเรื่อยไม่มีวันสงบหรอกถ้านั่งแล้วคิดไปเรื่อยไม่มีวันสงบหรอก นั่งแล้วสงสัยไปเรื่อยๆก็ไม่สงบนั่งแล้วซึมไปเรื่อยๆก็ไม่สงบแต่ถ้าเราไม่ได้นิ่งจิตเรามีการมาฉันทะเราก็รู้มีพยาบาทเราก็รู้มีความลังเลสงสัยมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความหดหู่อะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ลูกเดียวเลยสิ่งเหล่านี้มันจะดับไปเองทันทีที่สติเกิดอากุศลทั้งหลายมันจะดับเองเมื่อนิวรทั้งหลายดับไปจิตจะมีสมาธิขึ้นมาเองเห็นไหม เป็นวิธีที่ง่ายๆวิธีนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ในพระสูตรที่ชื่อสามัญญภละสูตรทําไมแทนที่ท่านจะสอนหายใจไปก่อนแล้วค่อยมีสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาเพราะพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะให้นั่งสมาธิจนเข้าฌานน่ะชาตินี้คงไม่ได้ภาวนาหรอกท่านเลยสอนให้รู้ทันจิตจิตมีนิวรณ์ขึ้นมาแล้วรู้ทันเลยสมาธิมันจะเกิดนี่ใช้ปัญญานําสมาธิ ท่านบอกน่าเสียดายที่พระเจ้าเอาชาติสัตว์ตูไปฆ่าพ่อเสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นฟังธรรมวันนี้จะได้เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ไม่ได้เป็นภาวนามันอยู่ที่หลักต้องแม่นทำอย่างไรสติที่แท้จริงจะเกิดทำอย่างไรสติที่แท้จริงเมื่อเกิดแล้วจะรู้กายลงปัจจุบันแต่ว่าตามรู้จิตคนละอันกันเวลาที่รู้กายจิตไม่ถลำลงในกายจิตตั้งมั่นในการรู้กายเวลาดูจิต จิตก็ตั้งมั่นไม่ไหลตามเข้าไปในโลกของความคิดหรือโลกของความว่างเครื่องหมายคําพูดเปิดให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปิดเครื่องหมายคําพูดรู้สึกไปพอรู้แล้วหลงยินดีให้รู้ทันมันก็เป็นกลางรู้แล้วหลงยินร้ายก็ให้รู้ทันมันก็เป็นกลางหลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราต้องมีหลักให้แม่นต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นแต่กายแต่ใจ แต่ไม่เห็นกายใจแสดงไตรลักษ์ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวเช่นบางคนรู้ลมหายใจบางคนดูท้องพองยุบบางคนยกเท้าย่างเท้าเห็นลมหายใจเห็นท้องเห็นเท้าไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นกายนี้แสดงไตรลักษ์ต้องเห็นจิตนี้แสดงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาเช่นเห็นว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก อันนี้เห็นด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคิดหรือเห็นว่าจิตใจนั้นมันทํางานของมันเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่คือหลักนะจิตใจแสดงไตรลักษณ์ถ้าไปดูจิตแล้วไปเพ่งให้จิตนิ่งเป็นสมถะไปดูกายแล้วเพ่งกายจนนิ่งไปก็เป็นสมถะอีกฉะนั้นไม่ใช่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไปส่วนมากที่รู้กายรู้ใจก็ไม่เป็นวิปัสสนา เพราะขาดเงื่อนไขที่สําคัญคือขาดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่การเข้าฌานสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสัมมาสมาธิจะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเวลารู้ลมหายใจนะถ้ามีจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเวลาเดินมีจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นเลยตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเวลาความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์เฉยๆเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราบางทีก็แปลกปลอมเข้ามาในกายในใจแต่ว่าล้วนแต่ผ่านไปผ่านมาไม่มีตัวเราเวลาที่จิตตั้งมั่นอยู่แล้วกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็จะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราอีกจะเห็นแต่ไม่ใช่ตัวเรามันมีตัวผู้รู้ที่ตั้งขึ้นมาฉะนั้นถ้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีจิตเป็นคนดูอยู่ ใช้ได้นะยกเท้าย่างเท้ามีจิตเป็นคนดูอยู่ใช้ได้ท้องพองท้องยุบมีจิตเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้หายใจออกหายใจเข้ามีจิตเป็นคนดูอยู่ใช้ได้แต่ถ้าไปเพ่งลมเพ่งใส่ท้องใส่เท้าเป็นสมถะไปเพ่งตัวอารมณ์จะไม่มีปัญญาไม่เห็นไตรลักษณ์จับหลังให้แม่นแล้วจะช่วยตัวเองได้มากชาวพุทธต้องช่วยตัวเองให้ได้หลวงพ่อพยายามประคบประงมพวกเราสุดฤิดสุดเดช ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเรียวแรงแต่ละวันแต่ละวันปรารถนาอย่างเดียวว่าวันหนึ่งพวกเราจะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่ให้พึ่งหลวงพ่อจับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้แม่นแล้วเราจะพึ่งตัวเองได้